ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25ทธันวาคม2555มีชื่อเรื่องว่าเสียงจากนรกประทั้งหมด34หมดชั้นหก หลวงพ่อไปหลายวันเพิ่งกลับมาเมื่อคืนตอนเย็นก็เลยมาเช็คพลนะว่าพลพักของเรามีเท่าไหรนะ่ทั้งหมดจะสาสิบสี่พระสามสิบสี่รูปแต่ก็ต่างองค์ต่างอยู่นะวัดของเรามันกว้างทั้งพันกว่าไรสามสิบสี่องค์นี่น้อยเดียวที่หลวงพ่อได้ยินว่าพระเท่าไหร่ ที่เจ็ดปดเก้าไร่พระทั้งสองอยโอ้ยอยู่แบบแออัดแต่โองหลวงพ่อพระทั้งพระสาสบองค์เนื้อที่พันพระต่างองค์ก็ต่างอยู่อยู่ในความสงบหลีกเล่นหาความสงบได้ในวัดของเราถ้าเข้าไปดูข้างในแล้วก็กุติพร้อมที่จะภาวนาหาความสงบได้ในช่วงที่ ไม่มีการงานในช่วงที่มีการงานพวกพระพวกกูบาทั้งหลายก็ช่วยๆการทำคือเป็นช่วงเป็นระยะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกธันวาคมพุทธศักราช25งพห้าสบห้าหลวงพ่อได้ลงไปกรุงเทพตั้งแต่วันที่สิบเกเย็นวันที่สิบเก้ธันวาคม เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้วันที่ยี่ส้าลูกหลานก็คงอยากจะทราบว่าหลวงพ่อลงไปทำธุระอะไรบ้างลงไปคราวนี้รู้สึกว่าทางงานหลวงงานลากมาลุมมาตุ่มพอสมควรแต่เรื่องใหญ่ก็คือกิจนิมนต์ที่หลวงพ่อรับนิมนต์ไว้แล้วคือรับนิมนต์ก่อนไม่ใช่รับนิมนต์ ห่างๆกันนะการรับนิมนต์ห่างกันหลวงพ่อจะไม่ไม่รับประลงไปให้เป็นกิจนิมนต์ต่อๆกันเอถึงจะรับถ้าห่างๆกันลงไปทีเดียวงานนิมนต์ทีเดียวแล้วก็กลับขึ้นมามันเหนื่อ ย, อยถ้าจะทําจะรับนิมนต์ก็เอ้าต่อๆกันคราวนี้ก็รู้สึกว่าตออกันเหมือนกันนะลงไปทีแรกก็ไปชั้นอยู่ที่ บ้านของคุณสมบัติบริษัทของคุณสมบัติเอเชียโคเดนไลท์ Line, ที่ส่งข้าวต่างประเทศให้พนักงานทาบุญที่จะรับพรปีใหม่เขาทำทุกปีส่งท้ายปีเก่ารับพรปีใหม่พอวันที่สองต่อมาก็ามาฉันที่บริษัทการบินไทย ไฟช่างการปินไทยแต่รู้สึกคนเยอะนะพระก็มากหลวงพ่อนั่งเป็นองค์ที่ที่11บม้ครูบาอาจารย์มากแต่วันนั้นเขาให้หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมแต่หลวงพ่อก็ได้เทศเหมือนกันได้แสดงธรรมแต่หลวงพ่อไม่ไม่ได้พูดมากแต่วันนั้นเพราะว่าคนมันเยอะเป็นตั้งพัน0องพัครูบาอาจารย์กับคัวท่านจะคอยนาน หลวงพ่อพูดเพียง20กว่านาทีวันนั้นแล้วก็วันต่อมาอีกไปชั้นที่บ้านของน้องน้องชายของกุณณเลมศมริษัทอะไรขายหนังสือเนสั่นที่นิมนต์หลงตาลงไปกรุงเทพไปเข้าไปสิริราชกุณณะเลศไปชั้นที่บ้านยมแม่ของเขา ต่อมาก็มาฉันที่สวนแสงธรรมบรรทิศยี่สิบสามยีบสามชันสวนแสงธรรมพอยี่สบสี่ลวงพ่อกับฉันที่สวนแสงธรรมอีกแต่ ว, ว่าถึงยังไงเมื่อเราลงไปกรุงเทพแล้วสวนแสงธรรมเราจะไม่ฉันเสเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นบ้านพ่อตระกูลพ่อแม่พี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมจะต้องได้พบกันได้เจอกันนี่เห็นหน้ากัน แต่ลวงพ่อก็พาสวดมนต์ตอนเย็นนะตอนเย็นมันาทิตย์แล้วก็เย็นวันจันทร์ด้วยแล้วก็วันที่ย5้าเมื่อวานมาฉันที่จิตโปชนาบ้านของคุณหลวงอันนี้ก็มีพระทั้งหมด11อโรคมาฉันก็ศรัทธา ญ, ญาติโยมก็มากพอสมควรแต่วันธรรมดาถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็ มากเหมือนกันแต่หลวงพ่อลงไปคราวนี้ครั้งนี้ก็ประสานเกี่ยวกับสร้างเกียรติพิพิ ธ, ธภัณฑ์ของหลวงตาด้วยแล้วก็ผ้าป่าของหลวงตาด้วยที่จะมาทอดที่สวนแสงธรรมคุณด้านในจันเจ้าฉายเป็นประธานที่จะทอดผ้าป่าวันที่ยีสบกุมภาพันธ์แล้วก็พูดเกี่ยวกับ วันที่30มกราคมเป็นวันละสังขารหลวงตาชักชวนพี่น้องขึ้นมาวางสีรเลิกงานของหลวงตาวันที่30มกราคมบรรลัสังขารหลวงตาเด้อพี่น้องทางกรุงเทพเด้อขึ้นมาวางสีรเลิกพร้อมกันแล้วก็หาทุนส่วนวันที่20่สิบทอดผ้าป่าสามมกขีที่สวนแสงธรรม อันนี้ก็บอกกล่าวเน้อพี่น้องลูกหลานให้ช่วยช่วยกันตั้งโรงทานเรียนลูกหลานพวกเราแล้วก็มีการไปชุมหารือกันว่าการวางแผนที่จะสร้างเจดียด์พิพิธภัณฑ์กองหลวงตาเนี่ยเราจะทำดำเนินการอย่างไรในฝ่ายการช่างในการดูแลบริหารแล้วก็บอหลวงพ่อเองก็ได้หารือเกี่ยวกับผู้หาทนุนอีก เพื่อจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เราจะหาทุนลักษณะอย่างไรนี่หลวงพ่อลงไปคราวนี้รู้สึกว่าเกี่ยวกับเจดีย์ของหลวงตานั่นแหะเป็นส่วนใหญ่แต่ลํารักลำพังหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่ได้มีอะไระแต่เป็นห่วงเรื่องเจดีย์ผมเป็นเรื่องใหญ่ ต, ต้องใช้เวลานานที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยแต่ดูๆแล้วก็หนักใจไหม หลงพ่อไม่หนักใหญ่พอเชื่อมั่นในบา ร, รมีของหลวงตาถ้าทำงานอะไรเกี่ยวกับหลวงตาแล้วนะ่ะหลวงตาเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบา ร, รมีเป็นผู้มีบุญไม่เคยมีอุปสรรคติดขัดในการดำเนินเกี่ยวกับหลวงตาที่ผ่านผ่านมานะพอหลวงตาเองก็ท่านสร้างบา ร, รมีมาท่าน มีฐานะคือการเสียสละของท่านมีเท่าไหร่ถ้าเกิดประโยชน์ต่อโลกต่อพี่น้องต่ชายชนและท่านทุ่มเทยอย่างสุดๆ เ, เกือบจะว่าตัวเองไม่ได้กินขอสำคัญให้ได้ทานก่อนลักษณะอย่างนั้นลวงตาในการสมัยก่อนท่านเป็นพระน้อยพระหนุ่มก็เหมือนกั น, นการช่วยเหลือสงเคราะห์หมู่พวกเพื่อนถ้ามีความจำเป็น หลวงตาก็จะช่วยพอเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้เท่ามาหลวงตาก่อนเนี่ยนะช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้อ น, นี้สงทานของหลวงตาเ น, นี่ยนะเราไปพูดรากสถานที่ใดพูดถึงใครช่วยหลวงตาเ ด, อด้อทำบุญสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตาเนดะ้อเท่านั้นละ่ะต่างคนก็ต่างค้าผมจะเอาค่า พร้อมกันเลยเนี่ยแต่บางคนก็คัดค้านอยู่บ้างคัดค้านอยู่บ้างหลวงพ่อก็ไม่ว่าหลวงพ่อก็บอกเลยบอกวแบบ่าถ้าว่าไม่อยากจะได้บุญไม่ทําก็ได้อแต่ถ้าอยากจะได้บุญเออทำทำขะหลงตานะเพราะว่าการทํำขะหลงตาเนี่ยเหมือนกับเนื้อนาบุญที่ดีเนื้อนาที่ดีดินดีน้ําพอเหมาะถ้าหว่านพืชลงไปแล้ว ผลจะงอกเงยงอกเงยได้ดีพ่อยละเพราะว่าหลวงตาเป็นพระปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆล ง, งวานพืชลงไปเถอะจุดนี้ผลที่เราจะได้รับนะงอกเงยได้รับผลเกินคาดนะแต่ถ้าว่าเราคิดได้คิดทำสเปะสปะไปเรื่อยเอ้ยเหมือนกันนั่นละคล้ายๆกับว่า ว่าเหมือนกันน่แหละแสดงว่าไม่มีการแยกแยะล่ะในเมื่อไม่มีการแยกแยะเหมือนกับหมากับคนเมื่อกับเป็นปญญาเหมือนกันเหมือนกับคนเหมือนกันจะไปดูถูกเขายังไงคนเหมือนกันพระก็เหมือนคนนั่นแะพระรหัสก็เหมือนคนนั่นแหละพระทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละแสดงว่าเขาตาบอดตาบอด คลายๆว่ามองไม่เห็นคุณงามความดีอันนั้นมันช่วยไม่ได้ในหลักของพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าให้เลือกไม่ใช่ว่าคนจะดีด้วยกันทุกคนไม่ใช่ท่านังให้เลือกว่ากัญยาณมิตรเนี่ยทำไมไม่เลือกกับทุกคนเป็นหมู่เพื่อนเราพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เป็นอย่างนั้นกัญยาณมิตรปาปมิตรกัญยาเมิตรกัญยาณมิตรคือมิตรที่ดี มีคุณธรรมมีคุณภาพ ม, มีคุณรรธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีอันนบกัญยาณมิตรแนะนําไปในทางที่ดีแนะนําในทางเหตุผลอันนั้นอย่าทนะอันนี้ควรทําฮะอันนี้เป็นบุญอันนั้นเป็นบาปกัญยาณมิตรคือมิตรที่ดีเขาจะแนะนําไปในทางที่ดีปาปมมิตรมิตรที่ชั่วเขาจะแนะนําไปเขาก็วัแนะนาไปทางที่ดีของเขาเนี่ยล่ะ อ่เอาไปกินเหล้าด้วยกันเล่นการพนันด้วยกันสำเสเพนไปด้วยกันเนี่ยเดี๋ยนี้อันให้ฝอปาปะมิตรชักชวนไปในทางอบายยมุกเป็นในทางที่จิบหายเนี่ยแหละแต่เขาก็ไม่คิดว่าเขาจิบหายนะเพราะเขาโง่เก็มองไม่เห็นจนผลกรรมขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจึงจะรู้ได้ว่ากรรมชั่วที่เขาทําไปแล้วนะั้น ไม่น่าทำเลยนะอย่างที่ในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาคนทั้งหลายเขาลุกนับถือเลื่อมใสอย่างมากแต่สีสหายของท่านสีสหายที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเป็นคนร่ำรวยในเมืองมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่นั่นแหละอยากจะได้ผู้หญิงคนไหน ที่เป็นที่พอใจเอาเงินหวานเข้าไปได้มาำจำมะเลเทเมาเสเพนไปเรื่อยออกินเหล้าเมายาแปลว่าเงินออกมาแล้วปุ่นปื้อไปในทางอบายมุกแปลว่าความชั่วทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวเองต้องการเอาได้มดในจั ก, กรวาล เ, เงินมันซื้อได้มดซื้อความชั่วก็ได้ซื้อความดีก็ได้แต่โดยมากพาและชนมันมีแต่ซื้อแต่ความชั่ว มันก็ทําไปทุกอย่างเลยแต่นะพอทําเสร็จแล้วเนะี่ยมันกรรมชั่วตัวนี้มันไม่ให้ผลปัจจุบันเลยมันต่อเนื่องนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดว่านะอักตังทุ ก, กตังเสโยปัชา ต, ตปฏิทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเมื่อทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลติดตามเมื่อภายหลังนะเหมือนกับเราทานยาพิดเฮ้ยข้ากินยาพิษไม่เห็นมีอะไรเขาว่าใครว่าวะ กินสารหนูเนะ่ไม่เห็นมีอะไรแต่เมื่อพิษภัยมันขึ้นมานะีตาลีตาเลือ ก, กระเสือกกระสนเนะ่ไปล้างท้องโรงพยาบาลก็ไม่ทันนะีแน่แหละเทนี่เมื่อยาพิษให้ผลเขาหยุดพูดได้เพราะเหตุอะไรเพราะมันให้ผลแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่ทำเนะี่ยมันก็หวานมันนะทำอะไรลงไปกับหวานมัน ไม่เห็นมีอะไร น, ะนี่แหละสาสีสหายนั้นก็ทํทำความชั่วยอย่างนั้นพอตายจากชาตินั้นไปแล้วตนียตกนรกตกนรกลงไปถึงสามหมื่นปะีถึงกดนรกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาถึงสามหมื่นปีพอฟื้นขึ้นมาถึงปากนรกนะพยาประเสริฐที่โกศล ในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินในกรุงสาวัตถีเนี่ยท่านก็ อ, นอยากจะได้เมียเขาอีกเหมือนกันะเออมาเป็นแฟนของตนมาเป็นเมียของตนเพราะไปเห็น เ, เสด็จไปรอบพระนครไปเห็นผู้หญิงสวยงามาคล้ายๆปัญาประเสริฐมันก็ปิ๊งในใจเหมือนกันเถ อ, เ, อเกือบตกคอช้างเหมือนกันเถอะอพ่อไปเห็นจะได้กันไปถามเลยผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะ พรถามว่ามีผัวแล้วมีครอบครัวแล้วเอามีครอบครัวก็ถะไปจัดการให้ผัวมันนั่นอะ่ะอาหาโทษใช่ไหมเดี๋ยวข่าผัวมันทิ้งเอาเมียมันะพระเจ้าแผ่นดินสั่งเลยกันี่แหละพวกนี้ก็จัดการนี่ยแต่เนีอยพอตอนกลางคืนมาไปเจ้าประเสริฐก็นอนหลับนอนไปกลางคืนพอดีสัตว์นรกสีจำพวกนั้นเลยอ สี่คนนะั่นที่ตกนรกลงไปแล้วนะ่ะฟื้นขึ้นมาปากนรกนะ่ะคล้ายๆกับเหมือนกับเราต้มน้ำหมอ้อเดือดอย่างนั้นอนะ่ะแล้วมันก็หมุนลงไปใช่ไหมจากนั้นกับพอถึงพื้นแล้วมันก็คุยขึ้นมาข้างบนอีกนะพอคุยขึ้นมาข้างบนสัตว์นรกสี่จำพวกพวกนี่สี่คนเนี่ยที่ว่าเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีสมัยก่อนสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสปะ ท่านประกาศพระาศาสนาแนะนําสั่งสอนผี่น้องประชาชนให้รู้จักบาปปุลคุณโทษให้รู้จักทาสิ่งที่มันดีแต่ตัวเองไม่สนใจนี่แหละคนชัวน่วเกิดมาในยุคใดมันเป็นสันดรนสันดานมันทําความดีไม่ได้มันทําแต่ความชัว่วนี่ก็เหมือนกันนะเกิดศาสนาใ้เกิ ด, กกดาศาสนาของพระพุทธเจ้าแท้ๆพระพุทธเจ้าประกาศพระาศาสนา เรื่องอริยสัจ ส, สีทุกสมุไทยนิโรธมรรทานศินภาวนาศินห้าสิลอุโบสถให้ทำสร้างคุณงามความดีนะไม่เอ า, เอาไม่ชอบพวกโง่ฮะพวกทำอย่างนั้นคือโง่ทำไมเงินมีอยู่แล้วสิ่งไหนที่มันอำนวยความสะดวกให้ตัวเองทำไมไม่เอาเนี่ยข้าจะทำอะไรกินเหล่าเมาย า, า, า, าสุลานาลีพาชีกีลาบัตเนี่ยเนความสุขพวกนั้น ไปนั่งหนุ่มน่าเงา จ, จุกปุกจักปักหลับหูหลับตาไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้มีความสุขกว่านี่ยนี่แหละพาและชนเขาคิดอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดว่าผลที่จะตามมานั้นคืออะไรนี่นี่แหละพอตายไปตกนรกตกนรกมันหมุนลงไปทีมอหมอนรกคือม้อใหญ่ไอ้ไอมันฟื้นขึ้นมาพอเห็นหน้ากันเลยสัตว์นรกสี่คนน่ะคนหนึ่งกาวว่าทุษณะนะโส กล่าวได้สี่คำทุษณ ะ, ะโสเนี่ยพอว่าตอนนั้นสัตว์นรกมันหมุนลงไปอีกเออหมอนรกเน่ยพอที่เห็นหน้ากันนะก็กล่าวทุษณ ะ, ะโสเนี่ยหมุนลงไปอีกแต่หายเงียบเดี๋ยวนี้ก็จะฟื้นขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเอออันนี้สองพันห้าร้ยกว่าปีใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าไว้สามหมื่นปีโผล่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าเนืด้วย เกือบจะหมดกรรมอาจจะโผล่ขึ้นมาเร็วก็ไม่รู้ฮะทานนี้พระญาปัจเสน์ได้ยินน่าพระญาปัจเสน์ได้ยินเนี่ยจัตตลกมันพูดกันทุสนาโศพระเจ้าปัจเสน์ได้ยินเอจัตุลงบักใหญ่เลยแนตะ่ตื่นขึ้นมาเสียงอะไรที่มันชัดเจนเหลือเกิน u, sa, na, so นะทุกสนาโศนะเอ่นอนไม่หลับท่เนะเพราะจังคิดถึงผู้หญิงคนนั้นอีกต่างหากเอ้ เขาจัดการผัวมาหรือยังบอาแฟนมาหรือยังฆ่าทิ้งหรือยังบ้าไอเจ้านั้นไอเจ้าแฟนเนี่ยเขาหาเรื่องใสก็เนี่ยเข้าเมืองไม่ได้เขาปิดประตูเลยนูนน่นไปนอนวัดป่าเชตะวันมาเนี่ยวัดเชตตะวันมหาวิหารไปนอนกับพระนะ่ะไปนอนกับพระสงฆ์ขอพักกับพระสงฆ์พระสงฆ์เออไปนั้นไปจัดกุฏิให้โยมไปตะแก่ไปนอนน่ยก็นอนไม่หลับมืดวัดคืนเหมือนกันอ่ะไม่รว้เรื่องเราอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเขาจะฆ่าตัวเองฮะ แต่พนพยาเปรสเซนต์ตื่นขึ้นมาทุษะหน้าโซ่เนอนไม่หลับเติอนชาออกมากเอาโหนหมอโหนหมอดูมหมอเดาหมอเกาขี้กากศกกกสา ก, กากเป็นหมอโฮหฮา ม, มาก็เขียนโกกากครัวซี่เมื่อคืนในข้าฝันถ้าได้ยินสุบินนิมิตเวลาเท่านั้นเวลาเที่ยงคืนมันเสียงอย่างนี้เกิดขึ้น หมอหนหมอดูหมอเดาว่าจะไงหมอดูหมอเดาจะไปรู้อะไรใช่ไหมอันั้นกิโกโหกไปเรื่อยนะโอ้อันนี้ไม่ได้ความหายนะความจีบหายต้องเกิดแก่พระราชาแน่นอนจะเป็นลักษณะอย่างนี้เา้าจะให้ทำยังไงอา้าวต้องต้องพรีกรรมต้องบูชายันเอาวัวเอาควายท่านั้นตัวนี้ตัวเอาช้างท่านั้นตัว เอามนุษย์คนนั้นคนผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายเท่านี้ก็ว่ากันอะไรแต่นี่ยทั้งที่พญาปเสนนี่เป็นเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะท่านางมาเล ก, กาที่อัคคะเห์ศีเป็นผู้ฉลาดเนี่ยนะอา้าวองค์ทําไมยังไปหาเชื่อของอย่างนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ทําไมไม่ไปถามท่านทําไมไปถามอย่างนี้ครับเพราะว่าพญาปเสนเห็นว่าตัวเอง มันไปทางผิดเลยเนีย้ยมันใจมันเป็นอกุศลเลยอยากจะได้แฟนของเขาอย่างที่ว่านะ่ะนะนะกิเลสลาคะมันปิดหูปิดตาไปหมดใช่นะเออมันเห็นแต่เขาเชื่อพูดอย่างกับสักนั่งมันเลนก็เชื่อเขาทั้งหมดเลยพอนางมาเลกาพูดอย่างไงพยาปเสนเลยสะดุ้งเลยโอ้ใช่ใชช่ควรจะไปกราบพระพุทธเจ้าก็เลยไปเข้าไปพาไปเหมือนกับหมดสภาพตรงนั้นนะยางว่านะเนี่อพญาปเสน พอใจมันตกต่ําอย่างสุดขีดแล้วแเะไปกร่าวพระพุทธเจ้ามอมฉันเมื่อคืนเนี่ยจะว่าฝันก็ใช่จะว่าตื่นก็ใช่เพราะคนไม่นอนไม่หลับใช่ไหมล่ะอคลับคล้ายคลับคลาเนี่ยคืออยากจะได้เมียเขานะ่ะอพูด ง, ง่ายๆทั้งวันทั้งคืนผัที่สุดก็เลยกราบโทนพระพุทธองค์ข้าได้ยินเสียงเมื่อคืนนี้พระธรรมเสียงอะไรพยาประเสียง ไม่รู้เสียงอะไรเสียงดังฟังชัดเหลือเกินแล้ว พ, พูดเขาพูดอะไรเขาบอกว่าธนะุสานโส<笑><笑>เสียงดังเลผู้ข่าได้ยินเนทะ่านั้นไม่พูดเพราะพระไเรจาวบอกว่าเอยมหาบาพิษอันนั้นมันเป็นเสื่องสัตว์นรกมันพูดไม่เกี่ยวกับพระองค์สักหน่อยเลยแต่ว่าตามไม่จริงก็เกี่ยวนะะั่นะ เออพราะถ้าว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะตัวเองก็จะทําแบบจะเดินไปทางนรกเหมือนกันกันกบอสัตว์สีจําพวกนั่นนะหลอหนุ่มสี่คนนั่นแหะอะพระองค์บอกว่าเนี่ยสัตว์นรกสี่คนมันหมุนลงไปใต้นรกถึงสามหมื่นปีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เห็นหน้ากันก็บอกว่าทุษณะโสจะบรรยายให้ฟังว่าโอ้ยถ้าข้าไปเจ้า พ้นจากนารกนี้แล้วข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้โดยเด็ดขาดเพราะบาปกรรมที่ทําไปแล้วเนี่ยให้ผลเป็นทุกข์จริงๆหมกไม่อยู่ในนรกแสนที่จะท ร, รมานแสนที่จะทุกข์ยากลําบากแต่มันพูดไม่ได้เลยเพราะมันมันม่อมันขึ้นมาหน่อยเดียวก็เลยกล่าวคนละคาถากันข้าพเจ้าจะไม่ทําสิ่งที่มันชั่วตลอดไปข้าพเจ้าจะเป็นคนดีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยกล่าวด้วยคนละคํา มันก็เลยหมุนลงไปอีกหายเงียบไปยังฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ฟื้นศาสนาจากพระพุทธเจ้ามกันสอง5 5 5ห้าร้อยห้าสิบห้าห้าสิบหกปีใช่ไหมล่ะอันนั้นว่า3าม0มืนปีจึงฟื้นขึ้นมาได้แต่นี่ก็คงจะอยู่ครึ่งกลางอยู่้วมังนี่แหละตอนนี้พระเจ้าประเสียก็โอ้ตายแต่บุรุษคนนั่นที่นอนวัดป่าเชิดตวันแอบไปย่องฟัง พอได้ยินแต่นั้นก็ะยุเลยว่าโอ้ข้าพระองค์อที่ได้หนีข้าพระเจ้าก็นอนไม่หลับทั้งคืนเหมือนกันเออทุกข์ยากลําบากกว่ากันาจากนั้นพระเจ้าบุษเสียงก็เลยเห็นโทษจะไม่ทําสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายอีกต่อไปฮนี่แหละอันนี้ก็คือความชั่วมันเกิดมีทุกยุคทุกสมัย เ, เพราะนั้นพวกเราให้เลือก เ, อเลือกว่า สิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่มันชั่วอันไหนดีอันไหนชั่วพวกเราต้องศึกษาทาษา่ น, นี่ถ้าไม่ศึกษามันไม่รู้หรอกเออมันไม่รู้ทให้ศึกษาถ้าศึกษาจะรู้ได้ศีลและธรรมนี่คืออะไรศีลห้านี่คืออะไรสรุปแล้วก็คือศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าเราอย่าไปทาความชั่วจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าทำให้เขาเดือดร้อน ถ้าเขาให้มาทำกับเราเราก็เดือดร้อนที่เราทำไปนะถ้าเราไปกับทำกับเขาเขาก็เดือดร้อนเพราะนั้นสิ่งที่ทำเดือดร้อนทั้งเขาทั้งเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอันนี้แหละคือจริยธรรมคือความประพฤติในการเป็นอยู่ด้วยกันของมวลมนุษย์จากนั้นก็ศึกษาตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะทำยังไงพวกเราจึงจะ ่พ้นทุกข์ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าท่านสีนำชีนนาา้แนะแล้วว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะกรรมกรรมคือการกระรรทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมนุษย์เกิดมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้อวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณังโสกเปริเทวทุกขโทมนัสสุอุปายาตเลยโศ ให้รองไรพิไรรำพันเพราะกิเลสพามาเกิดจะเผากิเลส ไ, ได้ด้วยอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญามรกแปดเนี่ยต้องศึกษาอีกเนี่ยเพราะวิชาทุกอย่างมันต้องศึกษาทั้งนั้นแหละไม่ใช่สยาภูรู้แจ้งทั้งหมดไม่ใช่เราต้องศึกษามาศึกษาแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดาเนินอย่างไร สมาธิเบื้องต้นท่านทำยังไงปัญญาวิปัสนาท่านเดินอย่างไรนี่แหละต้องศึกษา อ, อ่านตํำรับตาําราฟังเทปฟังซีดีอ่านหนังสือปฏิปทาแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะรู้แนวทางจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่ารู้แนวทางจะรู้ได้ไม่ใช่นะเหมือนกับเราอ่านแผนที่เ ร, เราดูแผนที่เราดูเราดูแผนที่แผนที่โลกเป็นยังไงไม่ใช่ว่ารู้ รู้แผนที่แล้วเราจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่นะ เ, เพียงต่รู้ตนเองจากนั้นเราก็เราจะเดินไปยังไงเราจะไปประเทศไหน เ, เราก็ดูดูแผนที่แล้วถ้าเราไม่ดูแผนที่เราไม่รู้แผนที่ซะก่อนเราจะเดินทางนั้นได้อย่างไรเราจะไปประเทศนั้นได้อย่างไรถ้าไปก็ไปแบบไปตามเขาคนอื่นเขาเป็นผู้พานำเออไม่ว่ากันที่พูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นเป็นแนวความคิดเนะี จริงไหมที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนี่ยจิงไหมให้กานกรองอีกทีหนึ่งแต่หลวงพ่อพูดอย่าไปเชื่อทีเดียวนะถ้าเชื่อทีเดียวกันขันก็ว่างงโง่อีกเหมือนกันนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกกาลามชนกาลามสูตรอย่าไปเชื่อตามมาอย่าไปเชื่อคนที่เชื่อถือได้อย่าไปเชื่อตามครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อขาดคะเนย์อย่าไปเชื่อแบบเดาเอาอย่าไปเชื่อแบบค า, าดการ ไม่ตัง้ง10บข้อพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้สรุปแล้วก็คือท่านไม่ให้เชื่อง่ายาสรุปแล้วให้ใช้ปัญญาดูก่อนสาริบุตรที่เราตถาคตพูดไปนี่ท่านเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าค่ะจนกว่าข้าพระองค์จะได้นำไปการกรองไต่ตองและปฏิบัติาตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะมาทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าค่านะน่น่อันนี้แหละคือศาสนาของพุท ธ, ธ ไม่ใช่ว่าถ้าใครไม่เชื่อคนนั้นเป็นชาตานของเราไม่ใช่นะเพราะนั้นพวกเราต้องการกรองด้วยเหตุและผลต้องศึกษาและจากนั้นจากมือลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยแต่อย่าไปทำความชั่วนะเอ๊ะไม่เชื่อเราความชั่วนะี่เป็นยังไงใถ้าเผลอถล่มเข้าไปลึกจนถอนตัวไม่ขึ้นตกนระกไปกับแบบชายสี่คนเหมือนกันนะมันถลําไปได้ง่ายๆนะกีเลศนะ อย่าไปแตะถึงขนาดนั้นนะเอารับพรนะตอนนี้อนุโมทนาให้พร